เมตตาและอุทิศ ส, ส่วนกุศลแล้วท่านพระครูกำหนดลืมตาแล้วคลานออกจากกรดเห็นลงพ่อในป่านั่งขัดสมาธิอยู่ที่โคนโพจึงเดินเข้าไปหานั่งลงกราบเป็นจังค้าประดิษฐ์สามครั้งรายงานอย่างไม่ยินดีนร้ายว่าหลวงพ่อครับผมทำสำเร็จแล้วครับเรารู้แล้ว ภิกษุรตันยูตอบอย่างไม่ยินดียินร้ายเช่นกันผมต้องยอมเอาชีวิตเข้าแลกเทียนนะครับมันเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งตัวเหมือนร่างทั้งร่างจะระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำไมจึงต้องหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้ครับหลวงพ่อแทนคำตอบหลวงพ่อดำกลับถามว่า แล้วคุ้มไหมละ่ะคุ้มกับความเพียรพยายามของเธอหรือเปล่าเกินคุ้มอีกครับไม่เช่นนั้นผมเห็นจะต้องไปเกิดเป็นนกเป็นไก่ไม่ก็เป็นเต่าไม่รู้กี่ชาติต่อกกี่ชาติแล้วก็ต้องถูกหักขาหักคอถูกตัดไส้ถูกต้ม เหมือนที่ผมเคยทำกับพวกเขาไว้เป็นอันว่าต่อไปนี้ผมไม่ต้องไปชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่ออีกต่อไปใช่ไหมครับใครว่าเธอยังต้องชดใช้อีกกรรมของเธอยังไม่หมดง่ายๆหรอกถ้อยคำของอาจารย์ทำให้สิทธิ์ชงน จึงต้องขอคาอธิบายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นครับก้นไหนหลวงพ่อบอกว่าคนที่ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้สามารถตัดกรรมได้นั่นเป็นความเข้าใจผิดของเธอเองไม่มีใครตัดเวรตัดกรรมได้หรอกนะทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องชดใช้ทั้งนั้น ดูอย่างพระโมคคัลลานนะท่านเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ก็ยังต้องใช้กรรมการที่ท่านถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นเมล็ดข้าวสารหักก็เพราะกรรมในอดีตชาติที่ทำไว้กับพ่อแม่ท่านต้องตกนรกหมกไม่อยู่นานเมื่อบรุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังต้องมารับกรรม กรรมที่ท่านได้รับในชาตินี้เป็นเพียงเศษกรรมนะขนาดเศษกรรมก็ยังถูกทุกจนกระดูกแหลกหรือครับถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าพระอรหันต์เมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่กรรมก็ยังมาให้ผลได้ใช่ไหมครับถูกแล้ว ต่อเมื่อท่านปรินิพานกรรมที่ทําไว้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วถึงแม้ให้ผลยังไม่หมดก็จะเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมเพราะพระอรหันต์เป็นผู้ไม่กลับมาเวียนว่ายอีกคือไม่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมารับผลของกรรมและเมื่อไม่มีผู้มารับผล กรรมนั้นจึงกลายเป็นอโหสิกรรมภิกษุรัตตัญยูอธิบายในแง่ปริยัติแต่เมื่อท่านมีทีวิตอยู่แม้จะบรรลุนิพพานแล้วท่านก็ยังต้องทำกรรมอีกใช่ไหมครับกอนกระทำของพระอรหันต์ไม่เป็นกรรมอีกต่อไป เพราะไม่มีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงไม่เรียกว่ากรรมแต่เรียกว่ากิริยาเหมือนที่ท่านจะขู่ปานท่านเหยียบมแมลงตายเป็นจํานวนมากเนื่องจากท่านมองไม่เห็นเธอบอกว่ากว่าจะบรรลุกายแทบระเบิดเป็นทินเล็กทินน้อยแต่ท่านจะขู่ปานนักหนาสาหัดกว่าเธอ ราท่านเดินจงกรมด้วยความมุมานะจนตาทั้งสองปฐุขึ้นและบอดสนิทซึ่งก็เป็นผลมาจากกรรมในครั้งอดีตท่านบรรลุอรหัตแต่ก็ต้องเสียจักษุทั้งสองข้างเวลาท่านเดินจึงเหยียบมแมลงตายเป็นจํานวนมากพวกภิกษุจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ท่านกระทำปานาติบาตภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือครับผู้ที่จะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นต้องเป็นพระอรหันต์ด้วยภิกษุเหล่านั้นยังไม่ได้เป็นจึงไม่รู้และไปกราบทูลกล่าวโทษพระจักขุปานต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัสอธิบายว่าพระจักขุปาไมิได้กระทำปาณาติบาตเพราะท่านได้บรรลุอรหัตแล้วการกระทำของพระอรหันต์ไม่เป็นกรรมเป็นแต่เพียงกริยาเท่านั้นหลวงพ่อครับในทางปริยัติการเป็นพระอริยะบุคคลเขวัดกันด้วยอะไรครับ ภิกษุวัย45ห้ใครเรียนรู้ภาคทรษศีวัดกันที่การละสังโยช์ได้สังโยช์หรือสัญโยช์หมายถึงกิเลส ท, ที่ผูกมัดสัตว์ทั้งหลายให้ติดข้องอยู่ในวัตตะสงสารมีอยู่10บอย่างเรียกว่าสังโยชนสิบได้แก่หนึ่งสกายะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัว เป็นตนคือเห็นขันห้าซึ่งได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นสิ่งมีตัวตนอันเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตัวสองวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความมีใจไม่แน่นอนในทางปฏิบัติและมักผลนิพพาน สศีลพัตตปรามาตศความยึดมั่นในศีลพรษโดยสักแต่ว่าทำตามตามกันไปอย่างงมงายหรือเห็นว่าคลังหรือศักสิทธ์4กามราคะความกำหนัดในกามความติดใจในกามมคุณห้าคือรูปเสียงกลิน่นรสและสัมผัส หาปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งใจความหงุดหงิดขัดเคืองใจความไม่ปลอดโปร่งใจ 6. รูประราคะความติดใจในอารมณ์ของรูปฌานหรือติดใจในรูปที่ประนีตมีความปรารถนาในรูปภพ 7. อรูประราคะ ความติดใจในอารมณ์ของอรูปฌานหรือติดใจในสิ่งที่เป็นอรูปธรรมมีความปรารถนาในอรูปภพแปมานะความทรนองตนถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเหตุให้ดูหมิ่นผู้อื่นเห็นว่าผู้อื่นด้อยกว่าตน 9. อุดทัจจะความฟุ้งซ่านสิบอวิชชาความหลงความไม่รู้จริงในสภาวะธรรมชาติความไม่รู้แจ้งในอริยสัจว์4สังโยตสิบอย่างนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือโอรัมพากิยสังโยตหรือสังโยตเบื้องต่ำเป็นกิเลสหยาบ เป็นไปในภพอันต่ำได้แก่สังโยชห์5ข้อแรกส่วนหข้อหลังเรียกว่าอุทธรมภาคียะสังโยช์หรือสังโยชนเบื้องสูงเป็นกิเลสอย่างละเอียดเป็นไปแม้ในภพอันสูงที่ว่าการเป็นพระอริยบุคคลวัดกันที่การละสังโยช์ได้คือผู้ที่ละสังโยชนเบื้องต่ำ 3ข้อแรกได้เรียกว่าพระโสดาบันนับเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นระดับที่สองเรียกว่าพระสกทาคามีหรือสกิทาคามีคือผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องตำ่ำสามข้อแรกได้และสามารถทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลง ระดับที่สเรียกว่าพระอนาคามีหรือบุคคลที่ละสังโยชนเบื้องต่าได้ทั้งหมดส่วนระดับที่สเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดเรียกว่าพระอระหันต์คือผู้ที่ละสังโยชนทั้งส0ได้อย่างสิ้นเชิงจึงเป็นผู้พ้นแล้วจากสังสารวัฏโดยเด็ดขาด พระอระหันต์มีกี่ประเภทครับภิกษุผู้ใครยธรรมถามอีกคัมภีร์วิสุทธิมักได้กล่าวถึงพระอระหันต์ไว้ว่ามีหกประเภทได้แก่ศรัทธาวิมุตตคือผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาปัญญาวิมุตตคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญา อุพาโตภาควิมุตตะคือผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนคือหลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติหนึง่งแล้วจึงหลุดพ้นจากนามกายด้วยอริยมรรคเตวิทชาคือผู้ที่ได้วิชชาสามะพินยาคือผู้ได้อภินยาหกและ ปฏิสัมพิท ป, ปัตตาคือพูดถึงความแตกฐานในปฏิสัมพิ ธ, ธาพระอรหันต์ทั้งหกประเภทนี้เธอคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอยู่ในประเภทใดประเภทที่สคือเตวิชชาครับเพราะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก เล่มที่สี่ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ใต้ต้นโภพภึกในคืนเพนเดือนวิสาขะปฐมยามทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติแต่หนหลังได้มัชมัยามทรงบรรลุจุตูปปาตญาณคือรู้ในจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ได้ทิพยพยะจักขุอันบริสุทธิ์กว่าจักขุสามันเห็นปวงสัตว์ที่กำลังอุบัติเลวดีมีผิวพันงามมีผิวพันสามได้ดีหรือตกยากรู้ชัดว่าปวงสัตว์ที่เป็นเช่นนั้นตามกรรมของตนปัจฉิมยามทรงบรรลุอาสวัคยายานแปลว่า ความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นไปคือรู้อริยสัจสี่รู้ชัดตามจริงว่านี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ทางไปถึงความดับอาสวะ เมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตหลุดพ้นจากกามาสะวะภะวาสะวะอวิชชาสะวะรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นอันจะต้องทำเช่นนี้ไม่มีอีกผมตอบถูกไหมครับ ก็ในเมื่อเธออ้างคําภีรแถมท่องได้ทุกตัวอักษรอย่างนี้หากเราบอกว่าผิดก็เท่ากับเราไม่เชื่อถือพระไตรปิฎกนั่นเแต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสัองเคราะห์ลงได้ทุกประเภทเธอเห็นด้วยไหมท่านถามพระครูท่านพระครูใช้เวลาคิดนิดหนึ่งแล้วจึงตอบว่า จริงอย่างที่หลวงพ่อพูดมาทุกประการครับพระพุทธองค์ทรงได้อรูปะสมาบัติสมัยที่เรียนกับท่านอาลาระดาบดกาลามโครและท่านอุททะดาบดรามบุตรจึงสงเคราะห์เข้าไปในประเภทที่สคืออุพาโตภาควิมุตตะนอกจากนี้ ทรงได้อภิญญาครบทั้ง6สามารถสงเคราะห์เข้าไปในประเภทที่หคือชละพิญญาส่วนประเภทที่6คือปฏิสัมพิทัปตนนั้นจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงแตกฉานในอัตในธรรมในนิรุ ก, กติและในปฏิพานไม่ว่าจะทรงแสดงธรรมโปรดผู้ใด จะสำเร็จผลทุกครั้งผมจึงเห็นด้วยกับหลวงพ่อทุกประการว่าพระพุทธองค์ทรงพร้อมด้วยความเป็นพระอระหันต์ครบทั้งหกประเภทตั้งแต่ศรัทธาวิมุตตะไปจนถึงปฏิสัมพิทัป ต, ตะเพราะเหตุนี้แหละพระองค์งคจึงทรงเป็นเลิศที่สุด เลิศ ก, กว่าพระสาวกทุกองค์ในบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้าเธอคิดว่าท่านใดเลิศที่สุดอาจารย์ตั้งคำถามผมคิดว่าพระสารีบุตรผู้เป็นพุทธอัครสาวกเบื้องขวาครับเธอมีเหตุผลอันใดจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะในคำภี พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรมากตรัสเสมอว่านอกจากตถาคตแล้วสารีบุตรไม่เป็นรองใครก็หมายความว่าพระสารีบุตรจะเป็นรองก็เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าหากไม่นับพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็ไม่เป็นรองใครหรือพูดง่ายๆว่าในบรรดาพระสาวกพระสารีบุตร เป็นเลิศที่สุดผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนี่นะแต่เธอสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าขนาดพระสารีบุตรท่านเป็นอัครสาวกและเป็นเลิศที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายแล้วเหตุฉันไหนท่านจึงถูกภิกษุปุถุชนกล่าวโทษอยู่เรื่อยเป็นต้นว่า ไปกราบทูลพระพุทธองค์กล่าวโทษพระสารีบุตรว่าเป็นถึงอักระสาวกแต่กริยาลุกลิกเหมือนลิงอะไรทำนองนี้เพราะพระปุถุชนท่านก็ยังมีกิเลสนะครับหลวงพ่อท่านมีจิตฤิษยาพระสารีบุตรเห็นว่าเก่งเกินหน้าเกินตาท่านจึงต้องจับ แล้วพระสารีบุตรเป็นอย่างที่ภิกษุปุถุชนรูปนั้นกล่าวหรือเปล่าเป็นครับเพราะในคำพีอัตถกาถากล่าวไว้ว่าเวลาข้ามลำธารแคบๆภิกษุอื่นๆท่านเดินลุยข้ามแต่พระสารีบุตรกระโดดข้ามทำไมท่านทำเช่นนั้นครับเพราะท่านยังละวาสนาไม่ได้ พระพุทธองค์ตรัสว่าพระอระหันต์ทั้งหลายยังไม่สามารถละว่าสนาคือความเคยชินในครั้งอดีตชาติได้มีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถละว่าสนาได้พระสารีบุตรท่านเคยเกิดเป็นลิงเมื่อท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และสำเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วก็ยังปรากฏอาการของลิงอยู่ เพราะท่านยังละวาสนาไม่ได้เหมือนอย่างพระมหากษัตริย์ทำไมท่านจึงยินดีในการอยู่ป่าเพราะในอดีตชาติท่านเคยเป็นช้างพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์สแสวงหาโพธิญาณก็เคยเสวยพระชาติเป็นพญาลิงดังปรากฏในชาดกต่างๆ เช่นมหากปิชาดกเป็นต้นแต่เมื่อพระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทรงละวาสนาได้อย่างเด็ดขาดพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงแตกต่างจากพระอรหันตสาวกตรงการละวาสนาได้ที่เรา นำเรื่องของพระสารีบุตรมาเล่าให้เธอฟังก็เพื่อจะบอกเธอไว้ล่วงหน้าว่าแม้พระสารีบุตรท่านเป็นถึงอัครสาวกและเลิศที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายท่านก็ยังถูกภิกษุปุถุชนใส่ร้ายป้ายสีหลายครั้งหลายหนนับประสาอะไรกับเธอซึ่งแม้จะบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว หากก็ยังไม่พ้นจากการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนบางพวกซึ่งมีทั้งพระและคอร์รัลแต่พวกเขาทำอะไรเธอไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกแล้วบาปกรรก็จะตกอยู่กับพวกเขาเองการทำร้ายบุคคลผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นมีแต่บาปกรรมนี่ผมต้องถูกคนเขาใส่ความอีกหรือครับ ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยผมไม่เคยไปใส่ร้ายป้ายสีใครมีแต่ให้กับช่วยทำไมพวกเขาต้องมาหาเรื่องผมมันเป็นวิบากของเขาหนะ่ะเธอพูดถูกว่าเธอมีแต่ให้กับช่วยเพราะพวกที่ใส่ร้ายป้ายสีเธอในที่สุดก็ต้องมาขอความช่วยเหลือจากเธอและเธอก็จะให้ แล้วทำไมพวกเขาต้องมาวุ่นวายกับผมล่ะครับในเมื่อผมไม่เคยไปวุ่นวายกับใครแล้วผมก็ไม่เคยก่อศัตรูพวกเขาอิดช้าเธอนะสิเพราะเธอเด่นเกินหน้าเกินตาพวกเขาแต่ผมว่าให้เขาอิดช้าดีกว่าให้เขาสมเพชนะครับคนเขาอิดช้าเราแสดงว่าเรามีอะไรเหนือเขา แต่ถ้าเราด้อยกว่าเขาก็จะสมเพศเวทนาผมไม่อยากให้ใครมาสมเพศคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วเธอเห็นหรื อ, อยังละว่าโลกมนุษย์มันวุ่นวายอิจฉาริษยากันไม่พักแม้คนดีก็ยังมีศัตรูศัตรูของคนดีก็คือคนทั่วอย่าคิดว่าเป็นคนดีแล้ว จะไม่มีใครเกรีดทั้งเพราะเหตุนี้แหละครับผมถึงไม่อยากเกิดในโลกมนุษย์อีกบัดนี้ผมก็เพียรพยายามจนเข้าถึงความไม่เกิดได้สำเร็จแม้จะต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีอีกผมก็จะยอมรับจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาถือเสียว่าใช้กรรม ที่ผมอาจเคยทำกับพวกเขาไว้ในอดีตชาติดีแล้วเอาละ่ะทีนี้เราก็จะบอกเธอว่าเธอไม่ต้องอยู่ในป่าแห่งนี้อีกต่อไปเตรียมตัวเดินทางได้แล้วพบกับเราที่ภูคาจังหวัดน่านหลวงพ่อจะไม่ร่วมเดินทุดงกับผมหรือครับ เธอช่วยตัวเองได้แล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งเราอีกต่อไปอีกอย่างหนึ่งเราต้องการให้เธอสงเคราะห์ชาวบ้านให้ได้มีโอกาสทำบุญกับพระสุปฏิปันโนพวกเขายากจนเพราะในอดีตชาติเป็นคนตรนีเหนียวนัน่นไม่บริจาคทานชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนยากจนขัดสน เธอก็สงเคราะห์เข้าไปตามหน้าที่ก็แล้วกันครับลุงพ่อแล้วลุงพ่อจะไปไหนครับไปรอเธออยู่ที่ภูคานะสิแล้วผมต้องเดินทางกี่วันกว่าจะถึงที่นั่นใช้คาถาย่นระยะทางได้ไหมครับอย่าใช้เลยเราอยากให้เธอช่วยสงเคราะห์ชาวบา้าน ตามเส้นทางที่ผ่านพวกเขาจะได้มั่งมีสีสุขเพราะอานิสงส์ที่ได้ทำบุญกับเธออย่าลืมว่าเวลานี้เธอเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างสมบูรณ์ที่สุดเอาละ่ะเราจะไปแล้วได้ยินว่าอาจารย์จะไปสิ์จึงก้มลงกราบสามครั้งกราบเสร็จก็ไม่เห็นอาจารย์นั่งอยู่ ณที่นั้นแล้วหากภิกษุวัย45ก็ไม่รู้สึกแปลกใจอีกต่อไปเพราะชินเสร็จแล้วกับความไม่ธรรมดาของอาจารย์สมภารวัดป่ามะม่วงจัด ก, การกู้กรดเก็บเครื่องอาถาริขารแล้วจึงออกเดินทางท่านเดินลงเนินไปหวังได้พบผลไม้สีแดงสดเช่นวันก่อนๆแต่การกลับปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ต้นของมัน จึงออกจะสงสัยว่าผลไม้ทิพย์ที่ท่านเคยได้ฉันนั้นเป็นผลงานของเทวดาหรือของหลวงพ่อดำกันแน่นอ